วว่าเด็กๆไม่มีไร่กับ้านเดี๋ยวเดส่งกับ้านจะกลับแล้วต้องกลับกรุงเทพเนี่ยมาจากกรุงเทพเดี๋ยวเด๋ยวอุตส่าห์มาจากกรุงเทพวนนี้ไม่ได้ส่งกันบ้านเลยอ้าวส่งกันบ้านอะไรอ้าวอ้าวไม่ไปก้าขัวเปงั้นเนี่ยนิมมีอะไรส่งกันบ้านรือนั่นเลยตาบอกเลยมีอะไรไหมจะถามอะไรไหม เวลามันเกิดอารมณ์มาลงเวลาหนูรู้ตัวผิดเนี่ยเวลาหนูมีอารมณ์หรือหนูกังหันหรือหนูรู้ตัวผิดอะไรลงตอนนี้หนูหนูพยายามจะไปไปแก้มันหนูพยายามจะแก้มันให้มันไม่มีอารมณ์แล้วก็โดยเฉพาะจะมาหาลวงตาเนี่ย ก็หน <là> ูพยายามจะแก้ไขอารมณ์ที่หนูมีเนี่ยที่หนูงูเงียเนี่ยให้มันหายอันนี้ไม่ถูกแนะลูกอันนี้อันนี้ไม่ถูกอันนี้มันจะเป็นการผักไส่ลูกเราหลงตามไปตามอารมณ์ก็ผิดลูกเราจะพยายามไปผักผักใส่อารมณ์ให้มันหายไปโดยเฉพาะจะมาหาลงตาจะต้องไม่ให้หลงตาเห็นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันผิดลูกเราเราจะกลายเป็นผักใส่ผิดสองด้านคือถ้าเราหลงตามอารมณ์ไปไปมีกับมันจริงๆเราก็ผิดลูกถ้าเราพยายามไปไปผักใส่มัน ให้บรรหายไปก็ผิดอีกหรอกเราต้องทําไงลวงหนูมีปัญญาเนี่ยหรอกหนูต้องใช้ปัญญาสิหรอกทำยังไงรู้ทันอารมณ์ตัวเองเออรู้ทันอารมณ์ตัวเองแล้วเป็นยังไงหลวงรู้ทันแล้วเป็นยังไงเราจะเบิกบานผงใสค่ะออสดใสค่ะอันนั้นแหละคือทั้งไม่ผักใสทั้งไม่ไหลาตามไปนะแค่รู้ทันเขาเฉยเ น, นาะเออ ถูกไหมหลวงตาพูดถูกไหมถูกค่ะนี่ถูกเนาะแค่รู้เท่าทานอย่างเดียวลูกทั้งไม่ไม่ผักใสไม่พยายามทาลายเขาให้หายไปแล้วก็ไม่ไม่หลงไหลไปกับเขาไปมีอารมณ์กุมกกุมกันจริงน ะ, ะเข้าใจไหมลูกอันนี้ลูกลูกจะเข้าใจแล้วว่าปัญญาคืออะไรเห็นเขาแล้วไม่เข้าไปยึดถือเขาไม่เข้าใจไหม แล้วมีอะไรอ่ะมีอะไรจะคุยกัตายอือเอาคุยได้ทุกเรื่องเทวดาสามารถทำบุญได้ไหมคะเทวดาสามารถทำบุญได้ที่รู้เทวดาก็ทำบุญได้เทวดาก็ขยันปฏิบัติธรรมได้เทวดาก็อยากได้บุญนะคือเทวดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เทวดาแอบมาฟังธรรมอย่างพวกเรานั่งนั่งกันอยที่เทวดาก็แอบมาฟังธรรมได้บุญอะไรเทวดาชอบฟังธรรมปกติเทวดาก็เหมือนมนุษย์ลรา ชอบเทวดาชอบใส่บาตรชอบใส่บาตรแค่ทำบุกุศลใส่บาตรรักษาศีลก็แค่นี้ก็พอก็มีก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำเทวดาชอบชอบทำบุญในทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนานด้วยก็จะเป็นเทวดาสูงกว่าพวกนี้ก็ถ้าชอบฟังธรรมมากกว่าส มากกว่าทําบุญในฐานรักษาศีลตอนมีชีวิตอยู่แล้วไปเกิดเป็นเทวดาพวกนี้เป็นเทวดาแล้วพอมีการแสดงธรรมเพื่อความพ้นทุกพวกนี้ก็จะชอบมาฟังธรรมพวกนี้ก็คือบุญกุศลที่เทวดาก็จะได้เพิ่มขึ้นเมื่อเขาได้ฟังธรรมและเทวดาก็สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยค่ะอทําไมอ่ลูกถามทําไมลูกถามเฉยๆจะได้หรูเรื่องขึ้น อ, อ๋อถามเฉยๆได้รูเรื่องนึกว่าเห็นเหรอไม่ได้เห็นเนาะไม่ได้ได้ลูกได้ เพราะว่ามันติดนิสัยไปตั้งแต่เป็นมนุษย์ในโลจกจะพ่อแม่ครูาอาจารย์ที่เทวดาก็เอาอาหารมาถวายติดนิสัยให้ทานเทวดาบางท่านก็ติดนิสัยรักษาศีลจะชอบพระผู้ปฏิบัติธรรมผู้รักษาศีลมนุษย์จะชอบมากเลยแต่แต่เทวดาส่วนใหญ่ไปเกิดตะวันชั้นสูงก็คือภาวนาด้วยแต่ถ้าภาวนาจะชอบภาวนามากกว่าให้ทารักษาศีลผู้นี้ชอบฟังธรรม ที่ไหนแสดงธรรมเป็นไม่ได้ปุ๊บมาเลยเพราะว่าการแสดงธรรมอะไรต่างๆที่เียเทวดาเขาเป็นกายทิพย์เขาจะรู้แม้แต่ความคิดระยะไกลไม่มีไม่มีริยะทางเขาอยู่กายไหนเขาก็จะมาแต่ว่าแต่เทวดาที่แค่ชอบไปทานแล้วต่างตีก็จะไม่มาฟังเทวดาที่ชอบภาวนาจะชอบมาค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมลูกแต่ก็รู้เอาเอาเอาของหนูเลย ต้องต้องต้องปล่อยวางนะเรู้ทุกอย่างแล้วก็ไม่เข้าไปยึดถือรู้ทุกอย่างไม่เข้าไปยึดถือดีก็ไม่เข้าไปยึดถือชั่วก็ไม่เข้าไปยึดถือสบายใจก็ไม่เข้าไปยึดถือไม่สบายใจก็ไม่เข้าไปยึดถือนะคาว่ายึดถือก็หมายถึงว่าอย่าพยายามไปผักสายอาการที่ไม่สบายใจนะลูกจำไว้นะค่ะเออแค่อรู้อยู่แต่จะเข้าไปยึดถือรู้รู้สักแต่ว่ารู้เข้าเป็นอย่างนี้ก็ออย่าเข้าไปยึดถือเหตุที่ต้องรู้ไว้ไม่งั้นจะหลงไปกับเขาแต่รู้แล้วก็ไม่จะไปพยายามทําลายเขานะ เดี๋ยนุก็ใจผิดว่าโอจะต้องมาหาหลวงตาต้องต้องทำให้ในใจไม่มีใช่ไหมลกูก<ช>เออในงางพอจะมาหาหลวงตาต้องรีบทำให้ในใจไม่มีไม่มันจะมันจะไม่มันจ ะ, นจะถ้าผิดแล้วมันจะมันจะมันไม่มีอะไรที่ถ้าเรายึดอะไรลูกมันจะปรากฏล่องรอยบนท้องฟ้า แม้แต่ถ้าเราไหลไปหลงไปแล้วก็มันจะปรากฏร่องรอยถ้าเราคิดไปใจเราเนี่ยคิดจะไปทําลายอะไรก็ตามส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ไม่ถูกใจแม้แต่จะบอกว่าจะลบไปให้ลงตามไม่เห็นเนี่ยแต่ไอตัวที่เราไปยึดไปพยายามลบเนี่ยในถึงที่เราพยายามจะลบไม่ให้ลงตาเห็นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันปรากฏร่องรอยบนตรงฟ้าถ้าเราเนี่ยไม่ยึดเลยดีก็ไม่ยึดชั่วก็ไม่ยึดอารมณ์ก็ที่ไม่ถูกใจที่เราพลาดพ้างไปแล้าอะไรเราเราก็ไม่ยึดเลยลูก อารมณ์มันมีอยู่แต่เราไม่ยึดท้องฟ้าจะว่างเปล่าจำไหมนะลูกอารมณ์แม้แต่มีอยู่แต่ถ้าเราไม่ยึดอารมณ์ไม่ไหลไปกับเขาแล้วเราไม่พยายามไปผลกใส่เขาท้องฟ้าหรือจิตเดินแตะใจเดินแตะจะเป็นความว่างเปล่าตอนนี้หนูเข้าใจผิดลูกว่าต้องไปทาให้อารมณ์มันหายไปท้องฟ้าถึงจะว่างเปล่านี่เข้าใจผิดลูก<ะ>การที่ท้องฟ้าแล้วเขามีอารมณ์อยู่ มันก็เหมือนกับว่ามีมีตัวอะไรมันนกหรือตัวอะไรที่มันบินผ่านมาบนท้องฟ้าถ้าเราเนี่ยพ er ยายามไปทําอะไรกับสิ่งที่ผ่านมาบนท้องฟ้ามันจะทําให้ท้องฟ้ามันเพิ่มตัวเราเข้าไปอีกตัวหนึ่งเข้าใจไหมอืมมันจะไม่ว่างป่าจากตัวเราเช่นว่าเราเห็นอะไรมันบินมาหรือว่าเห็นอะไรมันผ่านมาเนี้ยบนท้องฟ้าเราไม่ชอบมันเลยเราไม่ชอบหรือเราชอบเราชอบเข้าหรือเราไม่ชอบปุ๊บไอตัวที่มันบินมาเนี่ย มันเนี่ยก็คงมันบินมาแล้วท้องฟ้าองว่างเปล่ากันแน่และตัวนั้นมันก็บินมาแล้วก็บินไปแต่ถ้าเกิดมีเราเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็ไปชอบไม่ชอบสิ่งที่มันบินเข้ามาแต่การเป็นมีเราเนี่ยไปค้างอยู่บนฟ้าค้างอยู่ในความว่างเปล่าทำให้ลูกตามองเห็นความผิดพลาดแต่ถ้ามันมีความเราไปมีอะไรมีเรื่องอะไรไม่สบายใจแต่ความไม่สบายใจเราก็เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นอารมณ์ธรรมดานี่ยแนะเราไม่เข้าไปยึดถือมันมันก็ใจเราก็ว่างเปล่าอารมณ์มีอยู่แต่ใจว่างเปล่า ตรงนี้สาคัญมากนะหนูเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะเออหนูเข้าใจอนธะิบายทวนกลับอนยะ่างเชผู้ใหญ่ก็ยังงงอยู่ตรงนี้ลูกตรงนี้เออหนูช่วยอธิบายในะลูกเออให้พวกใกล้ใกล้ไม่ไหนตรงนี้เด็กขาดเลยก็คืออารมณ์มีอยู่แต่ว่าให้ใจว่างเปล่าค่ะอืมใจอารมณ์มีอยู่ใจจะว่างเปล่าด้วยเหตุอะไรลูกเราต้องรู้ทันอารมณ์ตัวเองค่ะอืมแล้วเป็นยังไง ร, รู้ทันแล้วเป็นยังไงเข้าไปยึดไหม ไม่ค่ะมายึดอะไรเลยเนาะไม่ผัดใส่ด้วยใช่ไหมค่ะเออสาธุเนี่ยฟังเด็กไว้นะ <c oughs> เออหมอเนี่ยฟังเด็กไว้เนี่ยเห็นไหมออใส่ๆหมอแล้เทิพเนี่ยอายุมากใส่ๆกับเด็กใส่ๆจิตใจก็ใส่ๆเหมือนเด็กอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามายึดอะไรฟังเด็ก ไ, ไว้เลยมีอารมณ์มีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นไม่เข้าไปยึด ใจก็จะสดใสว่างเปล่าเหมือนเหมือ น, นเด็กที่เด็กพูดนี่นะเข้าใจไหมอารมณ์มีอยู่แต่ใจไม่เข้าไปยึดใจก็ว่างเปล่าไม่ใช่ว่าไปทําอารมณ์ไม่หายไปหลายคนมาหาหลวงตาแบบเนี้ยเข้าใจผิดใช่ไหมพอมานี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้เดี๋ยวนี้จะเดี๋ยวหลวงตาจะมาแล้วหลวงตาจะมาแล้วหลวงตาจะมาแล้วพยายามไปผักใสอารมณ์กันไปใหญ่เลยานะอาที่ย์<ด>แล้วเ <laughs> นี่ยเข้าใจผิดนะ พยายามไปล้มไม่ได้นะล้มแบบนั้นจะบอกลุงตาเดี๋ยวลุงตาเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผิดกะิยผิดยิ่งปรากฏล่องรอยเลยทองฟ้าปรากฏล่องรอยเลยเพียงแต่ว่ามันมีแต่ไม่ไปยึดถืออมีทำไม่ไปยึดถือตลอดเวลารู้อยู่แต่ไม่เข้าไปยึดถือเนาะใจก็เลยจะว่างเปล่านะไม่ใช่ว่าเราไปทําให้ใจว่างเปล่าไม่ใช่ไปทําให้ใจว่างๆไปทำใย้ใงว่าไม่ใช่ใจว่างเพราะเหตุไม่ได้เข้าไปยึดถืออะไรตรงนี้เป็นสําคัญนะใจนีิว่างเปล่าเพราะไม่ไม่มีตัวเราเข้าไปยึดถืออะไร ใจมันเลยว่างเปล่าไม่ใช่ว่ะไปเห็นอะไรก็ทำใจให้ว่างๆไว้เห็นอะไรทาใจว่างๆอันนี้เท่ากับยึดถือยึดถือความว่างๆไว้อันนี้ไม่ว่างเลยเห็นเลยมาแหย่ลงตาจะเห็นเลยว่ายุดถือเนาะเข้าใจเนา ะ, ะไม่วัามาวันนี้เป็นธรรมที่ขั้นสูงอะเนี่ยตรงนี้ไม่ได้คุยกันเลยไม่เคยคุยกันสักนทะีเนาะค่ะเออตรงนี้เป็นธรรมที่ขั้นสูงมากดีมากเลยเนหะ่ยอายุเก้าขวบเนี่ยพูดธรรมขั้นนี้แหละอืม เป็นทำดีขัน้ขนที่สูงผู้ใหญ่ก็ต้องฟังเหมือนกันนะตรงเนี้ยสําคัญมากเลยเก่งมากเลยลูกเนห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยหน้าหนูคล้ําดํามีรังสีออกมาดําพอหนูเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยลูกสว่างสวยัยผ่องใสตั้งเดิมกับการที่หนูพยายามจะผักสายอารมณ์ไม่ให้ลูกตาเห็นเนี่ยมันคล้าไม่หมดเลยลูกมาถึงหน้าก็ดำคล้ำยิ้มก็ไม่ออกเห็นไหมดูเด่นว่ามันแตกตาก่างกันมากใช่ไหมลูก<ะ>จริงไหม ตอนนี้กับตอนทนี่ก่อนพูดกับลุงตาก่อนเข้ามาตือไม้เป็นไงแตกต่างกันไหมแตก ต, า ต, ากตา่างค่ะแตกต่างยังไงพูดให้ผู้ใหญ่ฟังดีตอนนี้กับก่อนเมื่อกี้ก่อนก่อนเข้ามากับตอนนี้เป็นยังไงไม่ทราบค่ะไ ม, ไม่ว่าความแตกต่างของจิตใจทราบไห ม, ไมตอนตอนตอนนี้กับตอนก่อนเข้ามาทราบไหมลูกตอนก่อนเข้ามาก็มีกังวล น, นิดหนึ่งค่ะเออเห็นไหมความกังวลเป็นทุกข์ในโลก แต่ตอนนี้ทําไมกังวลมันมีอีกไหมไม่มีแล้วกังวลมันหายไปเพราะอะไรเพราะได้พูดกับหลวงตาค่ะอได้พูดกับหลว ง, งตาแล้วกังวลเรื่องอะไรรึเล่าเรื่องสอบค่ะอ๋อกังวลเรื่องสอบเนาะ ก, กังวลเรื่องสอบแล้วพูดกับหลวงตาเลยหายเลยเอก็หลวงตาไม่ได้คุยเรื่องสอบเลยทาไมมันหายไปได้ไม่รู้ค่ะฮะไม่รู้เลย อืาดีลูกดีดีดีนะความกังวลอะไรไปทุกในโลกลูกความกังวลมีอยู่แต่เราไม่มยึดความกังวลความกังวลมันหายเองลูกแต่หนูพยายามไปผักสายวาความกังวลมันก็เลยเลยคล้ําดําไปหมดเลยลูกเข้าใจไหมค่ะ <GU IL esse> ความกังวลมีอยู่แต่ถ้าเราไม่ยึดความกังวลความกังวลก็หายไปเองแต่ถ้าเราเนี่ยไม่กังวลอยู่แล้วเราพยายามไปเล่งผักสายความกังวลเนี่ยมันเลยติดเลยลูกติดจริงจนะงเลยตนะิดติดดาคลําไปหมดเลยค่ะ <it> ต้องจำไว้พวกเราทุกคนเนี่ยมันมีอะไรอย่าไปผักใสมันไปผักใส่มันหายเร็วๆบางคนโกรธแล้วผักใสโกรธให้หายเร็วๆบางคนมีอะไรพีาไปผักไส่มันหายเร็วๆอันนี้ยิ่งติดเลยนะยิ่งผักใส่ ย, ยิ่งติดหนักเข้าไปเลยอัเนี้ยหลายคนชอบทําอย่างเงี้ยเออนาะแต่หนูก็เห็นในตัวของหนูเองนะรประจกกักษ์ระใจว่ากังวลเนี่ยพอกังวลเราไม่ผักใสมันหนูพยายามผักใสความกังวลแทบตายมันไม่หายยิ่งติดเห็นไหมหรกพอหนู ไม่ได้ผักใสมันอะไร็นคุยกันลุงตาก็หายไปแล้วเนาะค่ะดีเราเด็กดีเด็กดีอดดาบุโตรภูตัวธัมโมสังโูให้คุ้มครองน้องพอทั้งลูกให้เดินด ท, ทางกลับได้ปลอดภัยอะบุตรภูตัวธรมโสังโูนะโมตนะ